ตอนที่61เอ็จ้งเศร้าเหินคือข้อยกเว้นไม่รู้จักความเอาเสียเลยดูสิว่าเจ้าทําลูกชายข้าโมโหจนเป็นอย่างไรแล้วนิวซูเฟินเปิดปากก็ตอบว่าทันทีนางแค่นเสียงหึดฮัดก่อนแต่งงานเจ้าทําตัวเรียบร้อยอ่อนหวานนักหากไม่ใช่เพราะเหตุนั้นข้าไม่มีวันยอมให้ลูกชายแต่งกับเจ้าหรอกใครจะไปรู้ว่าเจ้าจะสู้หลีชิงพิงไม่ได้แม้แต่นิดอย่างน้อยนางก็ยังรู้จักเชื่อฟังอยู่ติดบ้านไม่กล้าก่อเรื่องถ้าข้ารู้แต่แรกว่าเจ้าเป็นยายแก่สารพัดพิษแบบนี้ข้าก็ไม่มีวันแต่งกับลูกชายเจ้าเหมือนกัน เจ้าเองก็เชืว่าจะเป็นคนดีเดรอะไรที่หลีชิงพิงเหยียกับโจเจียนเย่ยไม่ใช่ฝีมือเจ้าหรืออย่างไรเจ้ามันชอบโยนความผิดให้คนอื่นแล้วก็ไปเสนอหน้าเอาดีเข้าตัวต่อหน้าลูกชายเสมอหลิวเคอเคอกระชากหน้ากากของนิวซูเฟินออกมาโจเจียนเยี่ยที่ยืนอยู่ข้างๆได้ยินเข้ากระถึงกับตกตะลึงอย่างหนักทําไมสิ่งที่ได้ยินถึงไม่เหมือนกับที่เขาเคยรู้มาเลยแม่ของเขาไม่ได้บอกหรอกหรือว่าหลีชิงพิงไม่รู้จักความแล้วทําไมตอนนี้กลับกลายเป็นว่านางไม่กล้าก่อเรื่องเสียอย่างนั้น ตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่หลีชิงพิงไม่ได้เป็นฝ่ายขอยยัยเองหรอกหรือทำไมถึงบอกว่าเป็นเพราะแม่ของเขาเป็นต้นเหตุโจวเจี้ยนเย่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่คําพูดที่พวกนางพูดออกมาในวันนี้ช่างสอดคล้องกับสิ่งที่หลีชิงพิงและหลีหวานเคยพูดไว้ไม่มีผิดหรือว่าหลายปีมานี้หลีชิงพิงกับเสี่ยหวันต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในบ้านมาตลอดโจวเจี้ยนเย่ยไม่กล้าคิดต่อเขาคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ่ต้องมีบางอย่างไม่ถูกต้องเขาอ้าปากค้างไม่ตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่ ตอนนี้แม่บอกความจริงกับฉันได้ไหมหนิวซูเฟินแซงทำเป็นไม่เข้าใจความหมายที่ลูกชายถามความจริงอะไรแม่บอกว่าหลี่ชิงผิงนางโจวเจี้ยนเย่พูดค้างไว้ไม่รู้จะถามต่ออย่างไรอันที่จริงเขาหวาดกลัวที่จะรู้ความจริงและไม่เต็มใจจะยอมรับว่าหลายปีมานี้เขาได้ทำผิดต่อสองแม่ลูกหลี่ชิงผิงไปมากเพียงใดจะไปพูดถึงนางทำไมผู้หญิงคนนั้นแยกกับเจ้าไปแล้วหนิวซูเฟินโบกมืออย่างร้อนตัวตอนนี้พวกเรามาแก้ปัญหาตรงหน้าก่อนเถอะ หลิวเคอเคอเม้มปากแน่นไม่ยอมพูดอะไรอีกคำที่ว่าพูดมากมักพลาดมากนั้นไม่ผิดเลยจริงจริงหลิวเคอเคอร์อไม่อยากให้หลี่ชิงผิงหลงเหลือภาพลักษณ์ที่ดีใดใในใจของเขาอีกโจเจี้ยนเย่ยหันหลังเดินออกไปข้างนอกทันทีหนิวซูเฟินถลึงตาใส่หลิวเคอเคออย่างดูร้ายเจ้าก็อารวาสเข้าไปเถอะ ฉันไม่รู้จักดีชั่วลูกชายข้าดีกับเจ้าขนาดนี้เจ้ากลับเห็นกงจักเป็นดอกบัวนในท้องนั่นก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นลูกสาวหรือลูกชายถ้าเกิดมาเป็นลูกชายก็ดีไปแต่ถ้าเป็นลูกสาวละ่ะก็อย่าหาว่าลูกชายข้าขออยา่ากับเจ้าก็แล้วกันตอนนี้หนิวซูเฟินไม่แม้แต่จะแส้งทาตัวเป็นคนดีอีกต่อไปนางเป็นพวกให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วจะทําไมมีเพียงเด็กผู้ชายเท่านั้นที่จะสืบทอดวงตระกูลได้นางไม่คิดว่าตัวเองทําผิด หลิวเคอเคอมองดูห้องที่กลับมาว่างเปล่าอีกครั้งนางนั่งลงแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆเมื่อครูนางโมโหนขาดสติไปจริงๆยายแก่หนิวซูเฟิรนคนนี้จะให้อยู่ในเมืองต่อไปไม่ได้เด็ดขาดและไม่ต้องให้นางมาดูแลด้วยมิฉะนั้นพวกเขาสองคนคงได้แยกกันเข้าสักวันหลิวเคอเคอรู้ดีว่าที่นางเอ่เรื่องหย่าเมื่อครู่ไม่ใช่ความตั้งใจจริงสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันแล้วหลุดปากเรื่องหย่าเป็นเรื่องปกติพรุ่งนี้พวกเขาสองคนก็คงกลับมาคืนดีกันได้เอง หลิวเคอเคอยกมือขึ้นนวดหว่างคิ้วนางเริ่มหิวแล้วทะเลาะ ก, กันมานานขนาดนี้ช่างสิ้นเปลืองพลังงานเสียจริงทางด้านโจเซียนเยี่ยมเมื่อเขาวิ่งออกมาจากห้องที่ลานบ้านข้างๆก็ไร้เงาของหลีชิงถิงไปแล้วเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคาดหวังอะไรอยู่เขาและหลีชิงถิงแยกกันแล้วหลังจากนี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆต่อกันอีกหนิวซูเฟิรยังคงยุยงยัความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหลิวเคอเคอและเอาแต่พูดจาให้ร้ายนางไม่หยุด เจียนเย่ A เจ้าเป็นผู้ชายเจ้าต้องคุมผู้หญิงให้อยู่ไม่อย่างนั้นนางจะปีนเกลียวได้ถ้าพูดไม่ฟังก็ต้องลงไม้ลงมือสั่งสอนบ้างข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะมีใครที่ไม่ยอมสยบหลังโดนซ้อมลีชิงผิงผู้หญิงคนนั้นยังรู้จักฟังความไม่ต้องไปคุมอะไรนางก็นั่งนิงๆอยู่บ้านได้ข้ามันตาถั่วที่โดนหลิวเคอเคอหลอกเสียใจจนอยากจะตายจริงๆอา้าวพวกเราไม่ลูกรีบไปกินข้าวกันเถอะอย่าเอาเรื่องเล็กน้อยพวกนี้มาทำให้เสียสุขภาพจนไม่กินข้าวเลยไม่คุ้มหรอกโจเจียนเย่ A รู้สึกรำคาญใจอย่างหนักกนนักกกจะะินนนอไรหา แม่กินไปคนเดียวเถอะเจียนเย่ยหนิวซูเฟินตะโกนเรียกแต่มองดูแผ่นหลังของลูกชายที่หันหลังเดินออกไปข้างนอกนางจึงได้แต่พึพมพำด่าทอหลิวเคอเคอนึกว่าแต่งเอาสมบัติล้ำค่าเข้าบ้านที่ไหนได้กลับได้คุณหนูเจ้าปัญหามาเสียอย่างนั้นมีแต่สันดานเสียเสียเต็มไปหมดไม่ได้การนางต้องรีบหาทางสั่งสอนหลิวเคอเคอให้เข็ดลาบเมื่อคิดได้ดังนั้นหนิวซูเฟิร์นก็ไปกินข้าวก่อนกินให้อิ่มท้องจะได้มีแรงคิดแผนการ เขตบ้านพักทหารยาที่หลีหวานเคยให้ไว้คราวก่อนหมดลงแล้วเจิงเซาเหิงถ้าไม่ได้กินตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับเขานอนพลิกตัวไปมาบนเตียงจนเริ่มสงสัยว่าในยาของหลีหวานใส่อะไรลงไปหรือเปล่าไม่ได้การถ้าคืนนี้ไม่ได้กินจะส่งผลกระทบต่อการเรียนในวันพรุ่งนี้แน่เจิงเซาเหิงลุกออกจากห้องลังเลอยู่นานก่อนจะเคาะประตูห้องของหลีหวานเบาๆหลีหวานตอบกลับมาอย่างง่วเงียใครนะวินาทีต่อมาเสียงขยับตัวขลุกขลักในห้องก็ดังขึ้น ลิวันเปิดประตูออกเพียงช่องเล็กๆนางง่วงจนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นมองไปที่เจิงเซาเหิงมีอะไรเหรอยาของเจ้าซื้อมาจากที่ไหนวันนี้ยาของข้าหมดแล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปซื้อมาเก็บไว้กินอีกเจิงเซาเหิงตั้งใจจะไปเอายาจากหมอแม่ด้วยตัวเองเขาไม่อยากรบกวนลิวันอีกหลิหวันทรงเสียงอ้อออกมาตอนนี้เจ้านอนไม่หลับอีกแล้วเหรอเจิงเซาเหิรพยักหน้ายาที่เจ้าซื้อมาได้ผลมาก ตอนนี้ถ้าข้าไม่ได้กินก็แทบจะนอนไม่หลับเลยงั้นเจ้ารอสักครู่หลีหวันปิดประตูห้องลงครู่ต่อมาก็เปิดออกอีกครั้งนางยื่นทูปดอกหนึ่งให้เจิ้งเซาเหิงนี่คืออะไรนี่คือทูกสงบจิตกลิ่นของมันจะช่วยให้หลับสบายผลของมันก็คล้ายๆกับยากินนั่นแหละหลีหวนันพูดต่อเจ้าเอากลับไปลองดูเถอะตกลงเจิ้งเซาเหิงไม่นึกเลยว่าหลีหวานจะมีของแปลกๆพวกนี้มากมายขนาดนี้ ดูเหมือนของพวกนี้จะทำมาเพื่อคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนโดยเฉพาะเมื่อคิดได้ดังนั้นเจิงเซาเหิงก็มองหลีหวันด้วยความสงสัยหรือจะเป็นอย่างที่เขาคิดหลีหวันเองก็มีอาการนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ดูจากสภาพนางตอนนี้ไม่เหมือนเลยสักนิดมีธุระอะไรอีกไหมไม่มีแล้วแต่ทำไมในห้องเจ้าถึงมีของพวกนี้ละ่ะหลีหวันตอบด้วยน้าเสียงเรียบเฉย เป็นของคุณย่าในบ้านเราคนที่นอนไม่หลับไม่ได้มีแค่เจ้าคนเดียวคุณย่านอนไม่ค่อยหลับคราวก่อนข้าไปซื้อมาเป็นเพื่อนคุณย่าพอดีในห้องข้ายังมีเหลืออยู่เลยให้เจ้าไปอื้มตกลงเจ้างเศรขนพยักหน้ายอย่างครุ่นคิดเขามองสำรวจนางเด็กสาวตัวไม่สูงนักเส้นผมยุ่งเหยิงเล็กน้อยเหมือนว่าชพืช้แต่ดวงตาภายใต้แสงจันทร์กลับดูดำขับและเป็นประกายแม้ตอนนี้จะดูม่วงมุนไปบ้างแต่ก็ยังมองออกว่านางมีดวงตาที่สวยงามมากลิหว่านหน้าตาเหมือนหลีชิงผิงมากจริงๆรสองแม่ลูกมีส่วนคล้ายกันอยู่หลายส่วน แต่หน้าตาของหลี่วานจะดูหมดจดกว่าและเครื่องหน้าของนางก็ชวนให้มองได้ไม่เบื่อราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์หลีหวานหันหลังกลับเข้าห้องไปนางไม่ได้เก็บเรื่องเมื่อครู่มาใส่ใจเลยแม้แต่น้อยพล้มตัวลงบนเตียงก็หลับต่อทันทีม่วงเหลือเกินสิ่งที่หลีหล่วานไม่ชอบที่สุดคือการถูกปลุกกลางคันนางแทบจะคลั่งได้เลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นเจ้างเศร้าเหิงหละ่ะก็ช่างมันเถอะให้อภัยได้